ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบวญาณสัมปโนเสนอตอนที่สิบสามโรงเลี้ยงหมูลอดกอายนาและสู้ไม่ถอย หลวงตามมหาบัวยนสัมปันโนได้ให้โอว่าธรรมเอาไว้ว่าผู้ที่หาต้นหาปลายไม่ได้เรียกว่าอนัมตะโคคือไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยในภพชาติของจิตตวิญญาณบางดวงที่ไม่ได้มีหลักมีเจนไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเอาไว้เลยเหมือนมดแดงไต่ขอบด้งมันอยู่ที่ตรงไหนขอบด้งตรงไหนตรงปากกระโถนนี่ตรงไหนที่สุด ข, ของมันดูสิอยู่อย่างนี้แหละ มันหมุนไปก็เจอของเก่าหมุนไปก็เจอของเก่าอยู่อย่างนี้แหละความเกิดความตายของสัตว์ที่หาบุญกุศลไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วต้องการนักหรือพิจารณาดูสิมันดีไหมเกิดหาที่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ไม่ทราบว่าจะตกนรกอวจีและนรกอวัวีแต่ละหลุมละหลุมนี้เท่าไหร่ใครเป็นคนสอนนี้ไว้นักปราชญ์คนทานที่ไหนมาสอนไว้ทำนี้ เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของศาสดาเอกผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นสอนสอนจริงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายังไม่เชื่อแสดงว่าเราด้านที่สุดแล้วละให้จำไว้นะใครจะสมัครเป็นหัวหน้าด้านที่สุดหัวใจด้านที่สุดไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้นั้นแหละเวลาลงนรกแล้วมันจะไม่มีทางด้านเลยหลวงตามหาบุญยสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่าน ในขณะจำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นทีแรกเอาไว้ว่ากลางวันวันหนึ่งซึ่งเราไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นใหม่ๆกำลังกลัวท่านเป็นกำลังผอิญเอ็นกายลงนอนเคลิอมหลับไปขณะที่หลับไปนั้นปรากฏว่าเห็นภาพท่านมาดูเอาใหญ่เลยว่าท่านท่านมหาท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ที่นี่ทำไมเพราะที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมู ผมจึงไม่ส่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหมูเดี๋ยววัดนี้จะ ก, กลายเป็นโรงเลี้ยงหมูไปดังนี้เป็นต้นเสียงของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเสียงตะโกนดุดาขู่เข้นให้เรากลัวเสียด้วยจึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับและโผล่หน้าออกมานอกบานประตูมองหาดูท่านทั้งตัวสัน่นใจสัน่นแทบเป็นบ้าไปในขณะนั้นเพราะปกติก็กลัวท่านแทบตั้งตัวไม่ติดอยู่แล้วแต่บังคับตนอยู่กับท่าน ด้วยเหตุและผลที่เห็นว่าชอบทำเท่านั้นแถมท่านยังนำยาปราบหมูมากรอกเข้าอีกนึกว่าสลบไปในขณะนั้นพอโผล่หน้าออกมามองโน้นมองนี้ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏในฝันจึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้างพอได้โอกาสจึงเข้าไปกราบเรียนถามความเป็นไปถวายท่านท่านแจเป็นอุบายปราบยนต์ดีมากแต่เราคิดว่าไม่ค่อยดีนักในบางตอนซึ่งอาจทาให้คนนอนใจประมาทเมื่อได้รับคาปราบยนต์ ที่เคลือบด้วยน้ำตาลเช่นนั้นท่านอธิบายนิมิตให้ฟังว่าท่านมหาเรามหาครูบาอาจารย์ใหม่ๆประกอบกับมีความระวังตั้งใจมากเวลาหลับไปทำให้คิดและฝันไปอย่างนั้นเองที่ท่านไปดุว่าเราเหมือนหมูนั้นเป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตือนไม่ใหเรานาลัทธินิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระศาสนาโดยมากคนเราไม่ค่อยคานึงถึงความเป็นมนุษย์ของตัวว่า มีคุณค่าเพียงไรเวลาอยากทําอะไรก็ทําตามใจชอบไม่คํานึงนึกถึงความผิดถูกชั่วดีจึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยากที่โบราณท่านว่ามนุษย์ขาดตาเต็งตาช่างไม่เต็มบาทนั้นคือไม่เต็มตามภูมิของมนุษย์นั่นเองเพราะเหตุในความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสัตว์จึงทําให้มนุษย์เราต่ําลงทางความประพฤติจนกลายเป็นคนเสียหายที่ไม่มีอะไรวัดระดับได้ เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตนได้เสียไปแล้วเพราะเหตุนั้นนั้นผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้บ้างถ้าท่านมหานำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศให้ฟังไปปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอใจของท่านจะสงบได้เร็วพลันดีไม่ดีอาจถึงทำก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ก็เป็นได้นมิที่เตือนท่านมหานั้นดีมาก ไม่ใช่นิมิต ท, ที่สาบแช่งแบ่งเวรในทางที่ไม่ดีจงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะนำทุกมาเผาลนให้ตนมากกว่ากลัวครูอาจารย์ผมเองไม่ได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดูด่าเคี่ยนตีโดยไม่มีเหตุมีผลเท่าที่ควรอย่าลืมนิมิตอันดีงามซึ่งเป็นมงคลอย่างนี้ไปเสียจงรื้กถึงอยู่เสมอลัทธินิสัยหมูจะได้ห่างไกลมรรคผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามาทุกเวลานาที แดนแห่งความหลุดพ้นจะปรากฏเฉพาะหน้าในวันนี้หรือในวันหน้าอย่างแน่นอนผมยินดีและอนุโมทนาด้วยนิมิตท่านมหาอย่างจริงใจแม้ผมสั่งสอนตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็พร้อนทํานองนี้เหมือนกันและชอบได้อุบายต่างๆจากอุบายเช่นนี้เสมอมาจึงจําต้องใช้วิธีแบบนี้บังคับตัวตลอดมาไม่บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู่คณะโดยวิธีนี้เหมือนกันนี้เป็นคํำเจ้านิมิต ที่ท่านพระอาจารย์มั่นใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆกลัวจะเสียใจและท้อถอยปล่อยวางความเพียรไปเป็นเมตดกับหมูท่านจินหาอุบายมาสอนแบบนี้ลุงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงนิมิตต่อไปอีกว่าไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นได้ประมาณหถึงหกคืนเท่านั้นกระมังความฝันนี้ ก็เป็นความฝันเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันกับฝันครั้งก่อนฝันว่าได้สะพายบาดแบกกรดคล้องผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัดสองฝ้าทางแยกไปไหนก็ไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ําเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงดันๆไปอย่างนั้นแหละรกรุงรังพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปเท่านั้นพอไปถึงที่หนะ้าแห่งหนึ่งที่มีกอไผ่หนาๆล้มขวางทางแน่นหนาหาทางไปก็ไม่ได้ จะไปทางไหนก็ไม่ได้มองดูสองฝากทางก็ไม่มีทางที่พอจะไปเอ๊ะนี่เราจะไปยังไงนาเสาะที่นั่นเสาะที่นี่ไปก็เลยเห็นช่องทางเดินเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกจะบืนไปให้หล้วมตัวกับบาทลูกหนึ่งพอไปได้เท่านั้นเมื่อไม่มีทางจะลอดไปจริงๆก็เปื่องจีวร อ, ออกเอาบาทออกจากบาทแล้วก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาทไปด้วยตรดก็ดึงไป พอที่จะเอื้อมมือถึงพอบินไปได้ก็ลากบาดไปด้วยลากกรดไปด้วยและก็ดึงจีวรตามไปด้วยทางรกมากพอไปได้ประมาณสักหนึ่งเส้นเท่านั้นสพายบาดแบกกรดครองจีวรไปทอดสายตามองไปข้างหน้าเป็นที่เว้ต์ว้างมากคือข้างหน้ามันเป็นมหาสมุทรมองไปฝั่งโน้นก็ไม่มีเห็นแต่ฝั่งที่ตัวเองยืนอยู่เท่านั้นเลยมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่โน้ น, น, นไกลโพ้นไกลมากมองสุดสายตา พอมองเห็นเกาะดำๆทะมึนนี่เราจะไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบว่ามาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นเรือยนตรือเรือแาวเรือภายอะไรเรือมาเทียบฝั่งเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปนั่งเรือแล้วก็เอาบาตเอาอะไรลงไปวางบนเรือเรือก็บึ่งพาไปโน่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกมันอะไรก็ไม่ทราบบึงบึงบึงไปโน่นเลย ไม่รู้สึกว่ามีภัยอันตรายมีเคลื่อนอะไรทั้งนั้นแหละไป แ, แบบเ ง, งียบๆครู่เดียวเท่านั้นก็ถึงพอไปถึงเกาะนั้นแล้วเราก็ขนของลงจากเรือแล้วก็ขึ้นบนฝั่งเรือก็หายไปเลยไม่ได้พูดกันสักคากับคนขับเรือเราก็สะพายบาตขึ้นไปบนเกาะนั้นพอปีนเขาขึ้นไปขึ้นไปก็ไปเห็นท่านพระอาจารย์มั่นกําลังนั่งอยู่บนยอดภูเขาบนเตียงเล็กๆกําลังนั่งตํห ม, มากจอกๆ อ, อยู่ ร้องก็มองมาดูเราที่กำลังปีนขึ้นไปหาท่านอา้าวท่านมหาหาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่ท่านหามาได้ยังไงกันกระผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาเราตอบท่านโอโ้โหทางนี้มันยากนาะใครใคไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอกเอา้าถ้าอย่างนั้นตำหมากให้หน่อยสิท่านก็ยื่นตะบันหมากให้เราก็ตํำจอกจอกจอกได้สองสามจอก เลยรู้สึกตัวตื่นแหมเสียใจมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องค่อยตื่นก็ยังดีพอตื่นเช้ามาจึงได้ไปเล่าความฝันให้องค์ท่านฟังท่านพูดทำนายได้ดีมากว่าเออที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะนี้เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดเลยนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นจะยากลาบากที่สุดนะท่านต้องเอาให้ดี ท่านอย่าท้ออย่าถอยเบื้องต้นนี้ลําบากดูท่านลอดกอภัยมาทั้งกาะนั่นแหละลําบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิงว้างไปได้สบายจนถึงเกาะเป็นกับตายท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี้ยากที่สุดพอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอนใดเลยมีเท่านั้นแหละเบื้องต้นเอาให้ดีอย่าถอยนะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอา เป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยนะท่านพระอาจารย์มัน่นท่านว่าอย่างนั้นเราฟังเราฟังจริงๆนี่มันถึงใจถึงใจจําได้ฝังใจดีใจพอใจถึงได้ดําเนินตามนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงตามหาบูญยาสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านที่ได้ฟังทำคําสอนของท่านพระอาจารย์มัน่นจนจิตใจสงบเริ่มเข้าใจไว้อีกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มัน่นท่านเทศเรื่องปัญญาแม้เจ้าของจะยังไม่สามารถก้าวเดินทางปัญญาไปได้ก็รู้สึกว่าซึ้งไปตามท่านตามท่านเพราะจิตเริ่มรับธรรมปฏิบัติแล้วเมื่อจิตมีฐานสมาธิได้ดีแล้วยิ่งรับธรรมได้ดีถ้ายังไม่มีฐานจิตก็ไม่ค่อยรับ ไม่ค่อยเข้าใจการฟังเรื่อยๆการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเป็นการขัดเกลาจิตใจโดยตรงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลามีอะไรมาสัมผัสก็พิจารณาเป็นธรรมทั้งสิน้นเพราะสิ่งที่มาสัมผัสเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกรู้ปัญญาก็วิ่งตามทันทีทันทีโดยอัตโนมัติพิจารณาอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกบังคับเหมือนขั้นเริ่มแรกดังที่พระมหาธีระคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเรียนถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านอาจารย์ท่านอยู่องค์เดียวเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาท่านปรึกษาปาร ก, กับใครพอแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านตอบว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดยันเลยพระมหาธีระก็ไม่กล้าค้านท่านจะว่ายังไงเพราะอาจไม่เข้าถึงใจก็ได้ประการหนึ่งประการที่สอง ท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะค้านท่านที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการที่พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสปลูกสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองจนเป็นที่เข้าใจไปโดยลําดับนั้นแลคือการฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนทั้งด้านปฏิบัติเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นอัตโนมัติทํางานเพื่อทํำล้วนๆไม่มีโลคเข้ามาแอบแฝงเลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ทําจิตให้มีความสงบ เมื่อบรมสมาธิให้ได้รับความสงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องสมาธิกับปัญญาจึงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจำต้องนำมาใช้ตามการอันควรของแต่และประเภทอยู่เสมอแม้แต่ท่านที่เป็นพระขีนาศุภแล้วท่านก็ยังต้องใช้สมาธิเป็นเรือนพักผ่อนหย่อนใจในเวลาครองขันอยู่เพราะสมาธิเป็นเครื่องประสมประสานหรือเป็นเครื่องสมัครสมาน ร, ระหว่างขันกับจิตได้อย่างดียิ่ง ลุงตามหาบัวญานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นถึงขนาดจิตเสื่อมเอาไว้ว่าในพรรษาแรกที่เราอยู่จำพรรษากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นพรรษาที่9จิตมีแความเจริญกับความเสื่อมทางด้านสมาธิออกพรรษาแล้วก็ขึ้นบนหลังภูเขาจิตมันก็ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวต้องฝึกต้องฝืนอย่างหนักกิเลสมันถอยใครเมื่อไหร่พอออกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นไปได้สองถึงสาวัน จิตมันดิบมันดิ้นหาเขียงสับยำเพื่อเป็นอาหารของกิเลสอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดได้ตำหนิตนเองว่าอ๋อเรานี่มันกาจับผูเขาทองเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์จิตสงบร่มเย็นพอออกจากท่านมาแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวทำความเพียรก็เดินไปเฉยเฉยไม่มีอุบายอะไรที่จะแก้กิเลสได้สักตัวเดียวมีแต่ความฟุ้งซ่านภายในใจนับวันรุงแรงขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเป็นอย่างนี้ อยู่หาท่านพระอาจารย์มั่นไม่ได้นี้จากครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นแน่เมื่อเป็นแบบนี้เรารีบกลับคืนจะหาท่านทันทีนทแต่เดชบุญเวลากลับคืนไปหาองค์ท่านท่านไม่เคยตำหนิติเตียนเลยไม่เคยขับไล่สส่งเลยบางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนตลอดรุ่งเพราะกลัวจิตจะเสื่อมถึงกระนั้นก็ยังเสื่อมได้เฉพาะอย่างยิ่งเวลาจิตเริ่มกล้าเข้าสู่ความสงบ ความเพียรก็ยิ่งรีบเร่งเพราะกลัวจิตจะเสื่อมดังที่เคยเป็นมาแม้เช่นั้นก็ตามก็ยังฝืนเสื่อมไปไม่ได้ต่อมาก็เจริญขึ้นอีกแล้วก็เสื่อมลงอีกความเจริญของจิตนั้นคงอยู่ได้เพียงสามวันจากนั้นก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเจริญขึ้นไปถึงเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงหลวงตามหาบัวญนัสัมปันโนได้แสดงอุบายธรรมในการสู้กัเกลในขณะจิตเจริญและเสื่อมแบบสู้ไม่ถอยเอาไว้อีกว่า หลังจากที่เราได้อุบายแอนแยบคายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นจึงนำมาตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นและก็ตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นมาอีกว่าถึงอย่างไรเราจะต้องนำบทบริกรรมมากำกับจิตทุกเวลาไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดหรือทำกิจวัตรต่างๆจะไม่ยอมให้สติพลังเผลอจากคำบริกรรมคือพุทโธนี้เลยขณะนั้น จิตนึกพุโทโธหรือไม่ก็ตามแต่ความรู้ที่อยู่ในความสงบนั้นปรากฏเป็นพุโทโธตายตัวอยู่แล้วและไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนหยุดบริกรรมพอจิตจะเริ่มขยับ ต, ตัวถอนขึ้นมาคือมีอาการกระเพื่อมนิดๆก็รีบจับคำบริกรรมอัดเข้าไปทันทีเพื่อให้จิตติดอยู่กับคำบริกรรมทำเช่นนั้นพร้อมทั้งตั้งความสังเกตเอาไว้ว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ตอนไหนและทอดอาลัยในความเสื่อมกับความเจริญของจิต จะเสื่อมหรือจเจริญไปถึงไหนก็ตามแต่คําบริกรรมในระยะนี้จะไม่ยอมปล่อยวางในระยะต่อมาจิตที่เคยจเจริญและเสื่อมมาเป็นลําดับมาก็เลยไม่เสื่อมจึงเป็นเหตุให้รู้เรื่องราวของจิตว่าอ๋อจิตที่เคยเสื่อมบ่อยๆนั้นเพราะขาดคําบริกรรมสติคงจะเผลอจากจิตไปในระยะนั้นเป็นแน่นอนแต่นั้นมาก็ตั้งคําบริกรรมมาเป็นลําดับลําดับไปไหนมาไหนอยู่ที่ใดไม่ยอมให้เผลอ เป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผยจากพุโทโธจิตจะเสื่องไปไหนก็ให้รู้กันที่นี่เท่านั้นไม่ยอมรับรู้ในทางอื่นจิตก็เลยตั้งหลักปักฐานลงได้เพราะคำบริกรรมภาวนาว่าพุโทโธเท่านั้น